ใครเงี S <S ้ที่มาอยู่ด้วยกันนี้ให้เป็นเหมือนวัยวะเดียวกันนะใครจะมาดื้ด้านมาทิชชีมานะบวรู้โอดชราขวางหมู่ของเพื่อนนะเราเป็นเพืของพระให้อภัยกันง่ายที่สุดคือพระเรายอมรับเหตุผลคือพระเรานะหากมีทิชชีมานะแล้วนี่คือยักไม่ใช่พระนะอยาให้มีเยาวชนนะมีสอนจน แค่เป็นทับตายแล้วางานผลจะเกิดขึ้นมาแบบนี้แล้วดูไม่ได้นะก็หมงองคือพลาดทีแล้วแค่าบนี้นะถึงคือพลาดีลยก็มังเรื่องก็เยอะคืมีเรื่องนะพระธรรมอ่านลงไปมันมีเรื่องเพอว่าประัติศาติทุกถิงทุกอย่างนะผมไม่ไปเกี่ยวข้องกับผม คือให้ทาํางานเหล่านี้เข้ากับทํางานกับผมเองอาจารย์ย oh ูเม่พันเตโฮนี่นั่นท่านทั้งหลายก็กล่าวแลนะ้วขอถือเราเป็นครูเป็นอาจารย์และให้เล่นําตัอนสั่งสอนพระละของท่านทั้งหลายที่จะปฏิบัติต่อเรา ก, ก็ก็มีแล้วในคําขอนิสัยให้ทำหน้าที่เหล่านี้การคนต่างข น, นใจในพวาะวัดปฏิบัติทังคม น, นะนั่นแหละคือทํางานเพื่อเราสงกับอาจารย์ยูเม่ไม่ไปเกี่ยวกับเราให้เกี่ยวกับงานนี้ที่เราสั่งท่าน พอพูดคำนี้แลผมก็อายุคือพ่อแม่พู่ย่าท่านว่าอดูกระชั้นก็คือผมนี่แะติดแนบตลอดเออลวลาผมต้องเข้าก่อนเข้าก่อนขนบริขารออกมาให้หมู่ให้เพื่อนหมู่เพื่อนคอยอยู่ของเราผมเข้าข้างในผลออกมาขนออกมาที่นานเขานานเข้ า, น า, นขาท่านคงจะคิดท่องข้านงนเลยอ่ะเออพระผู้นี้ไปอายุพัรษามากแล้วก็ อ, อไม่ต้อง มาทำข่อวัดปฏิบัติของเราอะไรมากนะ ก, ก็ได้นะเห็นวางเพียงอยู่ห่างๆคอยดูอยู่ห่างก็ได้ให้พระเนี่ยที่ม บ, บวชใหม่ๆมารู้ภาษีภาษาหรือมาทําคาวัดเดี๋ยวมันจะไม่มีสายติดหัวมันแหละเห็นวางนียนะผมไม่ยืม น, นะพระเร า, าพระผู้มีพรรษาแล้วผู้ใหญ่แล้วก็คอยดูอยู่ข้างนอกนะค่อยจงเกิดดูอยู่ข้างนอกเห็นวางก็ได้ให้พวกนี้เข้าไปทำข่อววัดปฏิบัติ เดี๋ยวมันจะให้มีสายติดหัวมันแล้วนะพระท่านว่างมันนะท่านพูดกลงไปมาเพราะแม่กงญจารเราจากนั้นเราก็ไม่เข้าอ่ะแต่เนี้ยหมู่เวืนไว้ทุกอย่างอืมเข้าบริการใครก็เป็นคนเข้าแล้วเป็นคนสั่งคนที่ควรจะเข้าห้องขันได้เราให้เข้าแล้วคนลงมาให้พวกนี้รับไปแล้วไปใครแล้วบริการอันไหนแล้วอย่าให้ก้าวไกลกันนะนี่เราสั่งขาดสั่งขาดใครเคยเอาบริการอันไหนให้ออกมาอย่าก้าวไกลกัน เราก็คอยดูแลอยู่ข้างนอกดูแอยู่ข้างนอกตลอดมาอบางวันเราก็ขึ้นบางวันเราก็มาอยู่บนไดร์แต่การประกวาดข้างล่างนี้เรามาทําทุกวันบางวันเราก็ขึ้นบางวันเราก็อยู่อยู่บนไดร์คอยดูผ้าเนียนเอาของออกมานหนักขนาดนั้นเราเอาใจใส่หมูพ่วนผ้าเนียนแล้วคูบาจางติดหน้ตลอดถ้าไม่เห็นเราขึ้นไปทักสองหรือสามวัน แต่ตรงหน้าเราก็ไม่เลยสามวันเนี่ยมันจะขึ้นก่อนก่อนเช้าฉันออกจากห้องที่สองวันเว้นไปวันที่สามจครึ้นนั่นทีอท่านก็ถามถามพระหนึ่งนะนั่นเห็นไหมเลยดาท่านจับตลอดกระผมกท่านจับมากจริงๆเลยดึงมากที่เรากระผมเพาไม่เห็นเราขึ้นไปขมขมามาไหมนี่แต่ท่านเองก็ถามพระเานั้นแล้วท่านไม่เกี่ยวข้องของเรา แล้วท er ่านพูดอะไรน่ข้าวหนึ่งจะบอกเรามดเรื่องเกี่ยวกับเราแล้วข้าวหนึ่งจะบอกว่าท่านหามาไหมมาอยู่ข้างล่างเงียบไปเลยเนี่ยท่านจับเรื่องนั้นเหมือนกับว่าปล่อยไปแล้วเลยไม่สนใจกับข้ากับข้อวัดวัอยกว่าท่านความหมายก็ว่างพ่ามาอยู่ข้างล่างท่านก็หายไปก็สองสองวันรู้ส่วนมากไม่ค่อยสองวันแล้วก็ขึ้นเรื่อย เวาต้องออกห้องมาเราก็ขึ้นไปรออยู่แล้วดูพระดูเนินะลถ้าไม่ขึ้นเราก็อยู่ข้างล่างปักขวดอะไรแล้วออกเรื่องวงกลมนีผบปกตินิสัยของผมคือใช้ากับท่านเทวดาห่างมาแล้วนะเพราะพระเลยมันซ่าๆอันนี้อันหนึ่งที่ผมหนักมากคืออยู่น้องเผยนะจนอกคนกะแตผมขนเอาเพื่อพ่อแม่ขบุญจ้างเพราะฉะนั้นผมจึงเลยว่ามาอยู่ที่นี่มันก็เหมือนที่นั่นนะว่างเลยผู้ที่อกกระแตก็มีคอยดูแลพระเนี่ยไอ้วุ้นที่เก่งๆก้างๆไม่ ไม่มากขีดมากขวางมันก็มีนะในวัดเรานี่นะใครจะมันเป็นวันไดไทยะไรอยางนี้เลย น, น ะ, ะอย่าว่ายนะข้อสอนกันจะไม่สมหวยแล้วไม่มีอะไรที่จะสอนแล้วรวมอยู่แล้วนะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติหน้าที่ของตนของตนที่ไม่อยู่ในเจงกลางได้เหรืออ๋ อ, อนาน้นมาจากไหนเอาน้าประปากันส่วนที่เดือดตันหาอย่าเอาเข้ามาขวางวัด น, นี้นะวัด น, นี้เป็นวัดชำระเองนะมันขวางที่ผู้ใดเอาผู้นั้นให้ชำระตัวเอง พยายามตุกตีแล้วก็หมู่กับเพื่อนอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ผมก็อย่างผมเล่าให้ฟัง่ะเลมนะผมทนพว่พ่อแม่ครูอาจารย์อ๋ออกผมจะแต่คู่ดูแลพระเนรนะความเรียบร้อยนะ่ะทุกอย่างเลยมันเล่าเปี่ยแล้วกะผมต้องติดต้องแนบต้องสอดส่องดูแลตลอดเวลาองค์ไหนไมอยู่เอามาจี้เลยนะอืเอาขนาดนั้นนะเพราะนั่นพระเนรถึงกลัวผมตลอดนะใครมาครื่องผมไม่ได้ ผมไม่ม hey, ีอะไรที่จะหให้หมูข nah. ่้นมาทลึ่ผมได้เนการประทุปิบัติทุกสิ่งทุกอย่างผมเป็นเม็ดจป็หน่วยของผมอยู่แล้วคอยดูแล้วต้องแต่หมูข่้นแล้วเกิดแล้วก็พอเวลาเราอยู่นั่งท่านก็รู้สึกอย่างหนึ่งนะเราจะทราบได้เวลาเราไปเนี่ยท่านเองคงจะมาเล่าเกี่ยวกาบให้กันเห็นนะเวลาอยู่นั่งเนี่ยก็มีนะข้อหาอะไรนะนานนะเรื่อยนะถามเลยนะอืหลายวันเลยนะหาอะไรเนี่ยหาเงียบไปเลย รู้ะแล้วเราไม่เคยยกตนข่มท่านนะโอ้ยอยู่ตรงไหนฉันไม่เห็นท่านถามหาเลยนะแต่ก็ผมเรียกว่าตลอดเลยท่านเรี่นมาเล่าผมฟังถ้ามีใครมาเล่าคำนับท่านท่านไม่พูดเถอเหมือนม่าท่านไม่พูดถึงผมเลยนะแต่ท่านพูดยังไรขึ้นมาเนี่ยท่านเรียนทั้งหมดกันทื่อลยแล้วเราให้ผมฟังหมดเลยแสดงว่า่านจับเราอยู่ตลอดเวลา ไม่พลากเลยนะปรากฏว่าพ่อแม่กุญแจกับผมเนี่ยจับจริงๆนะอ๋อเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยไม่ให้ท่านรู้ขนาดนี้ท่านรู้จนได้นะั่นแหละงั้นท่านมาจับท่างจะรู้เหรอเราก็ใช้ปัญญาเต็มพุ่มของเรา <c oughs> แต่สุดแล้วก็ น, น่าพากแตกกันล่ะสู้ท่านไม่ได้ปัญญาของเรา <c oughs> <c oughs> ปัญญาของคนตาบอดกับปัญญาของคนตาดี <c oughs> ป ญ, ญาท่านเป็นสว่ากระจ่างแจ้งปั ญ, ญาของเราปั ญ, ญาขอคนตาบอดใช้เต็มภูมิก็ถูกกระผักแตกอยู่นั้นตลอดมาแล้วท่านจับจนได้แล้วจับเอาจนได้แล้ว น, นะแต่เรื่องกับพระเนี่ยท่านรู้สึกจะเบาใจมากแล้วกับผมเพราะท่านคง ท, ท่านจะรู้นิสยัวยว่าผ้าเนีผิดพ้าวัดขอวัดผมไปตัดคอรองนะเมื่อขนาดนั้นนะผมนะ่ะเอาผ้าเอาเนียนไว้นะ่ะผิดท้ายวัดขอวัดผมต้องหาเรื่องของผมเข้าไปแทซบจนได้ล่ะ แล้วก็ไปยอมรับกับท่านท่านก็นิ่งเสียพอเป็นเรื่องของผมเข้าไปแล้วท่านก็นิ่งเนี่ยพระเนรนุญาผิดก็ค่อยผ่านไปผ่านไปเพราะผมเข้าไปตัดคอลองเร่มาเกี่ยวโยงกับผมจนได้นั้นแหละเอาหาเรื่องเอาไปจนได้เลยแหละเข้าไปคอรองท่านเพราะว่าเป็นเรื่องของผมเนี่ยมันเกี่ยวข้าาของกับผม ผ, ผิดพลาดบาอะไรอย่างนี้นท่านก็นิ่งไปเสียนานต่อ น, นานเข้าซิซิซินั่นเห็นไหมท่านจับอ่ะบัเวลาจะขึ้นผางเลยนะพระเนรผิดท้ายวัดหัววัดก็มาหาท่าน องไหนผิดก็แค่ผิดก็ธรรมหาก็มหามหาหูหนอกตาบอดมาผิดก็มหามหามหาหนูนี่สมัยจะโง่นักงหนานี่ลนะ่ะนั่นเห็นไหมเวลาท่านจะขึ้นเฮ้อผิดทวารหัววัด ก, ก็มีธรรมหามหาทําไมมหาองนี้จะโง่นักงหนานี่วะนั่นขนาดนั้นเวลาท่านขึ้นผางเลยนะท่านเจ็บไวนานแล้วเนี่ยอย่างนั้นแหละนั่นท่านก็ทราบว่าผมเอาหมูเอาเพื่อนด้วยความเมตตาสางสาร แต่เวลาออกมาแล้วใครผิดอะไรผมจับบิดเลยนะอืมทําไมทํางั้นนั้นตี้อยู่เลยเนี่ยเวลาอยู่นั่นผมมาตัดคอรองผิดพลานมาโดยที่ไม่เกี่ยวข้งของกับผมก็ยังมีแต่ผมก็หาเงื่อนอาจนได้นั่นแหละเพื่อจะรักษามหมู่เพื่อนนั่นอย่างนั้นนะนั่นก็จับได้แหะที่ว่าผมเอาใจหมู่ใจเพื่อนเป็นคนเอาหมู่เอาเพื่อนท่านก็รู้ว่าเราเป็นคนรับรองทุกอย่างทุกอย่างเพื่อหมู่เพื่อนท่านก็รู้สินานขนาดท่านก็ฟาดเอาเนะั่นหนักเลยส ถ้าเล่นผิดท้ายว่าหั ว, วัดหูหน อ, อกตาบอดมา ก, ก็มาผิดมาหาคุณเดียวมาหาคุณเดียวมาเฮามาว่า น, นี่จะโง่ขนาดนั้นเถวเลยนอนล่ะเวลาท่านออกของเล่นเมื่อไหร่วะแล้วก็ น, นิ่งสิอมอบท่นก็ผ่านไปเออย่างนั้นนะโอเอาจริงแล้วกับผมเนี่ยท่นจับจริงจริงเลยแล้วาตอนท่านแก่มากเนี่ยท่านดูอธัธยาศัยของท่านท่านไม่อยากให้ยผมไปไหนนะ ผมก็รู้แต่ท่านก็จะห้ามก็ท่านก็เห็นเจตนาของเรารเวลาว่างๆก็ไปกราบปรกบึกษาหารือทั้งผมไม่เคยลาท่านต่ทีเดียวนะท่านต้องกราบปรึกษาหารือซะก่อนเรื่องจิตการงานอะไรเกี่ยวกับพรนะกับเมร์เกี่ยวกับในวัดในวานี่อะไร้าท่านมาบ้ามีแล้วก็ถ้าบอกไม่มี ก, ก็ก็อยากจะกราบพ่อแม่ครูอาจารย์ลาไปสร้างไปเที่ยวบิบิคสักสช่วงระยะทําไมว่าอะไรนะ อัจฉริยะใส่ท่าไม่อยากให้ไปนะอืมวางข้างตกลงกันเรียบร้อยแล้วทุกอย่างแล้วเวลาผมจะไปจริงผมบอกครองผ้าเพื่ไปหาท่านฮะไม่ไปไหนถ้ายืนอยู่ด้วยกันนี่นะวะ้าโอ้ชะดุ้งเก้อเลยผมนี่ถ้าทําไม่ขาเงืนนะ่อนผมก็ไปไม่ได้นะไม่พูดถึงเลยล่ะเพราะตกลงกันเรียบร้อยแล้วถึงเวลาแล้วจะขึ้นไปรกาบลาท่านไปน้ำมันจะไปเที่ยวไปเวื่อยนะท่านหมาไม่ไปไหนถ้ายือยู่ด้วยกันนี่นะวะ่า เห็นเราคล้องผ้าขึ้นมานะ่นะท่านรู้อย่างนั้นเราก็เกิกแล้วถ้าว่าท่านไม่ขายเงื่อนให้ผมไม่พูดเลยนะผมจะกลับลงไปเลยไม่ค่อยไปเวลาท่านจะขายเงื่อนอยู่ก็ได้กําลังไปก็ได้กําลังอยู่ก็ดีเนี่ยถ้าอยู่ไม่ได้กําลังไปได้กําลังไปก็ดีเนี่ยท่านเทียบเป็นระยะระยะระยะไปอย่างนี้แหละ ถ้าอยู่ก็ได้กําลังไปก็ได้กําลังคืออยู่ก็ดีไงอยู่นั่นค่ะถ้าทั้งอยู่ทั้งไปก็ได้กําลังเท่ากันอยู่ก็ดีไงถ้าอยู่ไม่ได้กําลังไปได้กําลังเออไปก็ดีฮเข้าไปไม่ได้กําลังอยู่ได้กําลังอยู่ก็ดีท่านแน่นอยู่อย่างั้นนะเอเมื่อท่านพูดอย่างนั้นแล้วเราก็วังฟังแล้วเรากราบเรียนท่านพอเวลาว่างก็ยครับ ขึ้นภานาสักระยะแล้วก็วา่างไปก็ไม่นานแล้วก็กับมหะกูวาจานีแล้วก็วา่างแล้วเออไปทางไหนอ่ะข้านี่คิดว่าจะไปทางนั้นก็ท่านเที่ยวหมดแล้วแถวนั้นนะ่ะท่านเคยเที่ยวมาเท่าไหนพูดที่ไหนท่านรู้ทั้งนั้นเออดีนะตรงนั้นนะ่ะแถวนั้นนะ่ะดีนะท่านเสริมแล้วนะพระวไปกี่องค์เนี่ยที่ท่านเด็ดมากนะแล้วไปกี่องค์ ไปองเดียวเออทำมาหาไปองเดียวนะใครจะไปยุ่งท่านนะเนี่ยตรงนี้เด็ดมากนะชี้ไปตามนี้แหละที่มีนั่งฟังด้วยกันะทำมาหาไปองเดียวนะครจะไปยุ่งท่านนะว่างจะไปยุ่งอะไรลมโพลมใส่อยู่แล้วเราจนไม่ได้สนใจว่าใครจะมาขี้เกี่ยวข้องกับเราเลยนะเพราะเรามุ่งหัวเราล้วนๆเี่จะไปยุ่งกับใครอ่ะทำาหาไปองเดียวนะบางทีท่านก็พูดหยอกเล่นบ้างนะก็รู้นิสัยอย่างนี้ เอาดีนะเหรอว่าไปเออไปเอาดีาาดีนะเหราท่านพูดหยอกเลก็ท่านรู้แล้วกลับมาท่านที่ไรมันอย่างไรโครงกระดูกมาที่ไรเป็นทางทันทุกทีแหละผมมาท่านยังเราเหลือแต่หนังห่อกระดูกเหมือนคนแก่อายุตั้งแปดสิบเก้าสิบปีมันมีเนื้อนหนังติดอะไรมามีแต่หนังห่อกระดูกมาคือฟัดกันเต็มเหนียวเต็มเหนียวแล้วออกกากท่านไปแล้วเอาเลยนะไม่ได้ถอยนะ อย่างนั้นเด็ดขนาดนั้ น, น, นเนี่ยมพราะนั้ถึงมากล้าพูดในทุกอย่างเลยทอ่มาเห็นหมู่เพื่อง น, นี่ยังกล้ามันดูไม่ได้นะแต่ทนเอารับหูรับตาดูไปเช่นอย่างเนี้ยผมดูนะผมไปนี่ละไปอย่างนี้นนะนละ ไ, ไปเห็นเห็นพระนั่นเอาเอ า, เอาแปรงสีฟันแล้วก็มาเอาใส่นี่ฟันไปล้างหน้าแล้วก็มาแปรงถูฟันเรามองลงไปโอ้โหสโรุปสังเวชนะอืมแปรงถูฟันมาถูอย่นั้นก็เป็นชั่วโมง ไม่ทราบว่ามีสติหรือไม่มีก็ไม่รู้นะั่นเนี่ยทําแบบแบบเรีย ว, ว่าขึ้นเขียงตลอดเวลามันมองดูมันเห็นแ้วมันขวางตายเออพระสวัยปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้ไม่ทราบว่ามีสติหรือไม่มีสติเ อ, อแปลงถูฟันม า, าทําแบบโรคๆเขาเนาะเออแปลงมาถูฟันมาใส่อยาส่วนก็มาถูย้อนแล้วล้างหน้าล้างตาอยู่นั่น อ, อ, อย่างไม่มองหน้ามองหลังนะ ไม่คิดไม่อาอะไรเลยแบบหมูขึ้นเขียงมาเนาะมองลงไปนี่โอ้โหสรุสังเวศนะผมนะโอ้ทำาวามเพียรแบบนี้นว่ะนั่นเรานี่มันไม่เคยนะบล่างหน้ากับปึงบงังบังล้างสติจับตลอดเวลาอย่างนั้นทีผมนึงว่าผมทุกข์มากที่สุดตรงนั้นรกทั้งเป็นว่ะขนาดนั้นมันถึงผ่านหรือเก้าปีนึงผ่านได้ฟังชินะ่ะเอาเป็นเอาตายหนักที่สุดเนี่ยในยานนี้ผมไมไ่มีเบานะ เรื่องความเป้าเคียนเนี่ยเพรา ะ, ะนั้นผมมองเห็นหมู่เพื่อนผมยังดูไม่ได้นะอผมรับตาดูเอาน้าตัววันนี้นะคือมันเข้ากันไม่ได้เลยว่ามัน่ะอย่างอย่างล้างหน้านี่โอ้ยล้างนั่นน่ะนี่ชาวบงก็ไม่ได้สนใจกรือะไรเออเหมือนหมูตัวหนึ่งถูฟันนี่เ อ, เอาดูโอ้ยสับสนใจนะผมนะอ๋อพระสมัยปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้ก็มาถามตรงแท้ๆนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องพระนอกจาก กรรมฐ า, านเราไปนะดูกรรมฐ า, านเรานี่แหละมันสรุปสองเรื่องแต่ดูอื่นมันจะไม่ทราบให้ดูหาอะไรมันเสียสายตาไม่ดูกรรมฐ า, านเราดูต้องดูต้องดูเพรในวงเดียวกันแล้วดูนะพิจนารณาแล้วนอกจากนั้นเราผมไม่สนใจแล้วอเอาราคาไหนมาให้เราสนใจว่ะว่าวันนี่เลยนะมันเลยเถิดก็จะทุกสิ่งทุกอยา่างจะไม่อะไจะให้ดูอะไร ถ้าเป็นผ้าเป็นเนลเราดูนี่หละที่ว่ามาเก่งเก่งกงังไม่ได้นะในวันนี้นะไอนไรออกทันทีเลยนะว่ะเราปะจะแตกพอแล้วนะก็ะอยู่เฉยก็ดีแล้วยิงมาทะเลาะกันแล้วเด็ดขาดเลยเช่านะ่ะเพราะได้ดสอนมาพอแล้วเรื่องที่ถีมานะ่าเรื่องกิเลสตัญหาเรื่องมูดเรื่องขูดยาเอามาโปะทำนะว่างั้นเลยเด็ดขาดอันนี้ไม่มีอารมณ์เลยนะขนาดนั้นละก็เทือนใจถึงขนาดนั้นนะ ยาให้มีวป็นอากาศในวันนี้นะนักไม่ผ้าไม่เป็นผู้ตั้งใจเสียสละเป็นเป็นผู้ตั้งใจชำระกิเลสจะชำระอะไรเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดยับออกมาแสดงตอนตลาดตะเลยมีอย่างเหลือนี่แหละอยากให้เห็นนะเห็นไม่ได้เด็ดขาดเราอเราทนพอแล้วกับหมู่กับเพื่อนที่มาอยู่ด้วยนี่นะอการเทศนาว่าการแล้วก็หมดใช้มดพุ่งทุกอย่าง ผมพูดจริงๆมาผมไม่ได้โศกทานกับสิ่งใดในสามดโลกทานนี้ว่าขนาดนั้นนะย่าให้กลัวสิ่งนั้นจะให้กาสินี้ผมไม่มีพูดให้มันเต็มยจเราคุกมันเนือซะทุกอย่างแล้วกิตคําว่ากิจิตธรร ม, ามาชาติอันนี้ครับจึงได้ยกข้อเปรียบเทียบ ม, มาที่เรื่องของกิเลสนะความสะอาดของกิเลสเรายกมาอย่างนี้เลยนะความสะอาดของกิเลสนี้โอ้ยตกแต่งประดับประดาขัดถูยุ่งไปตลอดเวลาอันนั่นก็ไม่ดีอันนี้ไม่ดถูจนขึ้นเงาอืม ที่นอนหมอนมุ้งตกแต่งวงเฟอร์เพื่อร่างกายอย่างเดียวนะเพื่อความสะดวกการอยู่การกินการใช้การสอยของร่างกายอย่างเดียวเนี่ยปนเปื้อจริงๆนะโอ้ยเอาใจใส่จริงเต็มเม็ดเต็ ม, ต ม, ตมหน่วยถึงเรื่องความสะอาดนีอ่อะไรมาแตะมาได้นะร่างกายนีย่มันจะสกสโครกเห็นไหมกิเลสมันสงวนตัวมันจะสโปรกให้ขัดถูดและทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นเงาพับๆๆนันกิเลสพอใจ นี่แหละความสะอาดของกิเลนในสายตาของทเนี่ว่าสกปรกสุดยอดคือกิเลสนั่นเห็นไหมเอามาเทียบกันสิทำทำขนาดไหนจึงได้มาตำหนิที่กิเลสที่ว่ามันสะอาดสุดยอดที่มันทำกับสัตว์โลกเนี่ยให้สัตว์โลกเป็นบ้า ก, กับมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยคือความสกปรกสุดยอดของกิเลนนั่นใครมาเห็นแล้วใครมาพูดอย่างนี้วะนี่มันเห็นนี่จะว่าไงเอามาพูดไม่ได้หรือก็ไม่เห็นอยู่นี่แหละ กิเลสหลอกสางโลกมัอย่างไม่ลืมหูลืมตานะพากันปนเปื้อนร่างกายนี้พิลิกพกลั้นนะเวลานี้นะโอ้ยไม่ได้มองดูหัวใจนะหัวใจที่เป็นสาระสาคัญถูกปิดถูกกบไว้โดยกิเลสถูกบีบบังคับไว้โดยกิเลสทั้งนั้นไม่ออกมาแสดงตัวได้นะเรื่องกิเลสนีเพี้พลาดเต็มบ้านเต็มเมือเนี่ยที่เราสำรวจสองเลนนะมันเห็นอยู่ ช, ชัดๆประจักษ์อยู่ของหัวใจเนี่ยมันไม่มีอะไรปิดว่างั้นเลยลเวลามันเปิดแล้วมันจ้าเป็นขนาดนั้นล่ะนอกจากไม่ฟุ้งเฉย ก็มันไม่ใช่ของหิวนี่พูดหาอะไรมีเหมือนไม่มีทําเป็นอย่างนั้นนะ่ะทําพอดีตลอดเวลาไม่มีกฎมีดนันมีผักมีใสนะคนทุกวรที่จะออกมากน้อยก็ออกก็ออกถ้าไม่ทุกวรออกแล้วดึงออกก็ไม่ออกหัน่นเรียกว่าทำความพอดีอยู่ในธรรมในเรื่องของโลกเวลานี้มันโชกุบกขนาดนั้นนะไปที่ไหนกิเนืเทศย้ําในเรื่อง จ, จิตใจขนาดนั้นแหละดูเอาพระเนรเรา เดี๋ยนี้กำลังตีเข้ามาในวัดป่าบ้านตานนี่นะทางนอกเราหมดแล้วแหละไม่มีอะไรเหลือเล้ ว, ล ว, ล ว, ลวเรื่องที่เด็กตีสลากอ๋อเข้าห้องน้ําห้องส้วมนี่ต้องได้เหยาะได้ย่องไปนะไปไปไปไม่ระวังไม่ได้นะหัวแตกมันขัดมันสีมันความสะอาดทุกสิ่งที่เอามีเครื่องประกอบไว้ในะห้องน้ําห้องส้วมนี่เอ้ยเต็มไปหมดนะโอ้ยน่าสลดสังเวชจริงมีแต่ข้างปลุ่ร่างกายเท่านั้นนะไม่ได้สนใจกับหัวใจนี่เลยเนะอเครื่อง อะไรในห้องน้ำมองสวมเนี่ยไปดูที่มีกี่เครื่องอยู่นั่นนะ่ะเครื่องตกแต่งการเครื่องอาบน้ำมีมีกี่เครื่องอยู่นั่นเอาแบบไหนแบบไหนเรื่องทําอะไรที่ไปทําความสะอาดในช่วมในถานนี้โอ้ยเกื่อนไปหมดนะฮะแท้ไปหมดไปดูแล้วดูไม่ได้นะแล้วห้องน้ํานี่ก็ก้าวเข้าไปนี่ไม่ระวังไม่ได้หัวแตกนะเอย่างหลวงปู่ขาวนี่ไปหกล้มที่กรุงเทพก็ไปห้องน้ําอันนี้แหลอจจะอจึงจด้สร้างอทารูปสุดสวยมาถึงขนาดตาย ก็พอไปหกล้มที่กรุงเทพในห้องน้ำสะอาดสะอาดของกิเลสน่ะฟาดหัวแตกของสะอาดยังไงพี่นายสินั่นนี่เข้าไปที่ไหนก็ไปอย่างนั้นนะจนจะเข้าไม่ได้แล้วเข้าห้องน้ำของกิเลสนะอันนี้แหละกิเลสตีสลาดเห็นไหมดูที่ท่านทั้งหลายดูสินี่พูดมาอย่างจ้าเลยนั่นนี่แหละไม่ได้พูดธรรมดานะเอามาพูดเนี่ยมันจ้าในหัวใจพอแล้วอุบายของกิเลสออกแน่ไหนมันเห็นหมดใช่งไหมไม่งั้นฆ่ามันได้หรือ มันถึงขนาดนั้นแล้วทําไมมันจะปิดอยู่วะอืมันขนาดนั้นนะแล้วมาดูในวงวัดหลวงวังเหล่านี้เดียวนี้กําลังคืบคลานเข้ามานั่งเข้ามาเข้ามานะเออแล้วจะมีอะไรเทเข้าไปไในอิดปูนอะไรเข้าไปหาในวัดเราอีกนะขันหนาเปาะอะไรนี่เห็นไหมมันตีเข้ามาตีเข้ามาเออเรื่องเกี้ยนี่มันของง่ายมาเลยไม่รู้มันนะเอออย่างในวันนี้ถ้าเราเปิดดูที่ที่ไหนมันจะรูหลาจีกว่าวัดป่าบันตากจิเลศจะมาตีสลัดมด ไม่มีอะไรเหลือเลยล่ะมีแต่กิจตลาดส่วมฐานทุนกิเลสทางนั้นล่ะนี่ได้ดันเอาไว้ดันเอาไว้นะยังพอไ ด, ด้ดูบ้างในเวลานี้ข้ า, างนอกก็ไม่สนใจละมันเกี่ยวกับประชาชนเราโยกเขาทำแล้วแล้วก็ปล่อยไปเสียแต่ภ า, ายในนี้เราก็ปล่อยเท่าที่ปล่อยได้เหนี่อยกอารมณ์อกจะแตกเหมือนกันทนเอาทนเอ า, เอามล้วก็ลูกเราเข้ามายังพวกเก้าอี้โซฟาโซฟานี่โหยถ้าหากว่าเราปล่อยทีวัดเหล่านี้มีแต่โซฟาเก้าอี้แล้วเครื่อง บำรุงบำรเลิกพระนั่นแหละนะไปที่นั่นก็เก้าอี้ไปที่นี่ก็ที่นอนหมอนมุ้งอย่างดิบอย่างนี้ทั้งฝูกทั้งหมอนทั้งอะไรตกแต่งไว้เรียบหมดเพื่อร่างกายแต่หัวใจมันเป็นยังไงนี่สิหัวใจมันยิ่งกว่าส้วมกว่าฐานน่ะมันไม่ดูนี่นะมันไม่เปื้อตั้งแต่ภายนอกอ่ะอันนี้ก็รู้หลาฟูฟ้าภายนอกภายในมันลุกลุ่ลังเป็นฟืนไฟเผาหัวมันยังไม่ได้ดูนี่นะนี่คืมันสดสังเวชเพราะตัวใครจริงๆมันอยู่หัวใจนี่นะ สิ่งนั้นมันเป็นเครื่องประดับร้านของกิเลสหลอกคนโงต่ต่างหากนี่นะมันแต่มันหลอกคนฉลาดไม่ได้สิหลอกทําไม่ได้กิเลสมันอยู่ใต้หน้าของธรรมนั้นเห็นหมดนี่ว่าไงรู้ลนะ้าฝูฝ่าโอ้ยนาทุเรศ น, นะจนจะดูไม่ได้จริงนนะผมพูดจริงๆนะนี่เราพูดให้หมูฟนฟังไนนี้ผมไม่เคยพูดที่ไหนนะพูดอย่างนี้เห็นจำตายตรงนั้นจนจะเป็นจะตายก็ดู เ, เฉยไปอ๋อจะทำไงเรื่องมันเปอย่างนี้ ปร่งลงอนนี้จังทุงกาาอาณาตาไปแล้แล้วไปแล้วแต่สําหรับพวกเรานี่มันควรจะพิจารณาให้ได้สติสตังเอาพิจารณานะอย่าให้กิเลสไม่เหยียบคออยู่ตลอดเวลานะมันสรุสองเวศน์นั่นเองนะมีใช่กิเลสเหยียบหัวพระเหยียบหัวพระแล้วตกแต่งนั้นตกแต่งนี่ในวัด น, นี้มายุ่งนะให้ดูหัวใจเจ้าของตลอาวเวลานรระปัวนายาปล่อยเนื้อหลักของวัด น, นี่ที่ปะเคยปฏิบัติมาเร า, ราปฏิบัติมาอย่างนี้เวลาบอกขอหมู่เพื่อนก็าบอ สอนให้ปฏิบัติอย่างนี้นะอย่ามาเด่เนด้านด้านใน ห, ห็นนะทำไมีมไรเรื่องเลื่อนเลยในโลกนี้มีแต่เรื่องกุลยาของกิเลสทั้งนั้นเลยเหยียบหัวตัดโลกนี่นะอย่ามาเหยียบหัวธรรมของผู้ปฏิบัติได้นะเอาไงไมันไปเลมันเห็นทุกอย่างจ่ว่าไงมันกล้ามันมาไม่ไม่ไหนมากิเลสว่างนันที่จะปิดได้นี่นะว่ามันรู้ทันทีทันทีเลยรู้แล้วเหมือนไม่รู้ นี่ผมก็เหนื่อยตลอดเพราช่วยโลกกันเองไม่ใช่ธรรมดาละช่วยโลกการเทศนาว่าการไปพร้อมกันพร้อมกันเทศนี้พลิกัมพีไม่ทันเปิดตำราไม่ทันจะว่างไงไปจะแห่ 20, 30, 30กันยี่สิบสามสิบกันไปคราวนี้ก็เท่าไหรที่แปดจุดเก้ากันยังไงนี่ยี่สิบกันเราฟังสินะเทศถึงเมื่อไหร่ อ, อรพลิกตําราไม่ทันถ้าเอาเแบบที่เรียนมานะั้นไม่ทัน เทศสั้นวันหนึ่งสองวันแล้วก็หมดแล้วต้องไปเปิดคัมภีร์ใหม่ไปดูหนังสือใหม่ดูโครงการใหม่มาเทศใหม่อันนี้ไม่ได้เป็นอย่า ง, งานั้นเอาหู้จริงๆทางปริญาตใต้ผมเทศปริญาติผมเทศมาได้ทุกวันเพราะสัญญาที่จะออกไปคัมภีร์นั้นคัมภีร์นี้บทนั้นบาทนี้อยังแต่ก่อนมันออกมาได้เหรอมันไม่ออกแล้วสัญญาหดเข้ามาหดเข้ามาไม่ใช่อะไรแล้วเดินไปที่ไหนก็เหมือนกับเอาก้าสอบโยนขึ้นรถนั่นแหละ มันรู้อยู่ในกระสอบน่ะแต่มันไม่ออกใช่าที่นั่นเป็นที่นั่นที่นีไปที่ไหนหลงที่นั่นนะเดี๋ยวนี้ไปไหนหลงหลงนั่นหลงนี่ไปหมดนะอ่าเนี่ยคือสัญญาไม่ออกยิ่งไม่ดีจะไปกุฏิจะของก็ไม่สุดมันความจํามันไม่มีแล้วรู้เฉยมันจะเอาอใช้งานได้ยังไงเนี่ยเป็นางา น, นน่ะนี่แท้ทุกวันนี้มาด้วแท้ด้วยความจํานั้นน่ะแท้ด้วยความจริงออกจากนี้เลยอืมเปิดออกจากนี้ล่ะ ไม่มีอัดมีอัน้นว่ามันโกงๆนี้เลยนะมันจวนตายแล้วเปิดให้หมู่เพื่อนฟังนะการเทศการเนี่ยศาสนาว่าการสอนโลกเนี่ยเราต้องเท้ามหาหับผมลมาว่างั้นเลยอ่าไม่มีอัดมีอัน้นแล้วเหตุใดเทศสอนถังขยะมนุษย์เหล่านี้จะอาจจะอั้นติดข้องติดคาเทศไปไมได้มีอย่างหรือจะว่างั้นนะเฮะเทศถังขยะไม่ได้มีอย่างหรือนี่ยน ะ, นะอินทผงเทศมาได้นห่อวะเทวตรเทวดาได้ใช่ไม่จนกอกเนี่ย สูงกว่านี้ขนาดไหนยังเคือได้เท่มนุษย์เรานี่เทม่มาได้นีเหรือนั่นเน่แปลว่ามันเปิดเจ้าแลยพูดอะไถึงเลยว่าเอาตั้งแต่นี้ผ่านมานี่เอามาถามมาว่างั้นเลยนูน่นนะขนาดนั้นนะเวลามันกล้ามันกล้าง่งจริงนะก็จิตดวงนี้มันเป็นทำทั้งแท่งทำธรรมธาตุครอบโลกธาตุมันจนกอกที่ไหนไม่มีฝั่งมีฟ้าไม่มีเขตยนมีด้านมหาสมุทรยังมีฝั่งมีฟ้ฟาวะความสูงความต่ําของมันวัดได้มันลึกขนาดไหนหาสม ความก้องความแคบของมันขนาดไหนมันวัดได้นะแต่ธรรมธาตุนี้วัดไม่ได้เลยครอบโลกธาตุไม่มีขอบมีเขตไม่มีหลักมีเกณฑ์ครอบไปหมดเลยเนี่ยจึงว่าวิมูตล้วสิเลยสมมุติไปแล้วไม่มีขอบเกณฑ์หัวใจมันเป็นอย่างนั้นทีงไงมันเปิดโล่งขนาดนั้นเป็นทีเพียงว่าพูดเฉยๆเพราะหัวใจของหิวว่ะถึงการเวลาที่จะพูดกับพูดนี่มันจวนตายแล้วก็มาเปิดให้หูัวใฟัง เทจรั้นถอดออกมาจากหัวใจฉะนั้นมาเทจนี่เราไม่ได้ออกมาจากตำรับตำลางาะสาธุตำรับตำลางเราก็เหลี่ยนแต่เวลาจะเนจริงไม่ทันกับเหตุการณ์ขึ้นอย่างนี้ทันขนาดไหนเอาเลยเอาเลยถางเอาเลยปัาบนี่ออกเลยพุ่งเลยพุ่งเลยมันเต็มอยู่ในนีน้แล้วเอาอะไรมาจนก่อว่างนี่เลยนะนอกจากไม่พูดการถามมีวันกันถามภาพรับกันแล้วออกแล้วรับแล้วนอกจากจะสมควรจะพูดหนักเบามานกนอเพียงไร ก็พูดตามนั้นตอบตามนั่น เ, เวลาออกเนี่มันจะละรับออกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเป็นคําตอบออกมาร้อยเปอร์เซ็นตอนนั้นถามมาพับขึ้นปุ๊บแล้วนั่นก็มันมีอยู่นี้เต็มหัวใจแล้วอัดอั้นที่ไหนวะถ้ามันไม่ควรตอบก็ไม่ตอบหรือควรผู้ที่ถามนั้นจะควรรับได้ขนาดไหนแล้วมันบอกออกร้อยเปอร์เซ็นออกที่แรกร้อยเปอร์เ็นตเลยละออกเต็มเม็ดเต็มหน่อยเลยนี่ผู้รับมันคาบขนาดไหนแล้วขนาดไหนก็แบ่งให้จากขนาดนั้นควรจะตอบห้าสิเปร์เซก็ตอบเสีย ก่อจะตอบเจ็ดสิบเก็ตบเสียไอร้อยเปอร์เซ็นนั่นเขาไม่มส่วนมากมันจะเยอยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นถ้าต่ําำถ้าลงยี่สามสิบเปอร์เซ็นเราไม่ตอบนะเหนื่อยไม่เอาเฉยไปเสียน่ะแบงตอบอย่างนั้นแหะถ้าไม่ควรตอบก็หนึ่งเสียเฉยถ้า น, นี่ขึ้นแล้วนะไม่ตอบถ้าเกิดประโยชน์เราเล่นอย่างนี้พอปัญหาขึ้นพับต้องพิจรารณาไข้ควรพูดรับซะก่อนว่าปัญหานี้จะออกรับขนาดไหนพอดีกันนัะ่ะ มันเป็นทั้งมันเองนี่นะมนไม่ต้องไปหาคุยเ ข, ข, ขี่ยคุยค้นที่ไหนมาตอบแล้วพอถามพับขึ้นแล้วขึ้นแล้วอฟั ง, งชัดๆสักหน่อยนะ น, นี่แหละทำอยู่กับใจเป็นกันเดียวกันแล้วเป็นอย่างนั้นจนเกาะยามงที่ไหนวะนอกจากไม่ตอบไม่พูดเฉย ไ, ไม่เกิดประโยู่์ก็เฉยเชียบบางทีถ้ามันพอมาถามน้ำน้ำน้ำสาวมันราคาญก็ขู่ซะบ้างนี่เป็นอย่างนั้นนี่ยอ๋อดูโลกมันจะดูไม่ได้นะ อ๋อทเลศจริงมาเทียบกันที่ความสะอาดของกิเลสกับความสะอาดของธรรมตามที่บูตจะดีน่งมาแล้วไอ้ความสะอาดของกิเลสคือความสกปกสุดยอดในสายตาของธรรมนู่นน่ะฟังสิแล้วธรรมจะสะอาดขนาดไหนมาพิจารณาสิทิงเนี่มาตำหนิกิเลสที่ว่ามันสะอาดสุดยอดและกลายเป็นความสกปกสุดยอดในสายตาของธรรมมาเทียบสิ นนือมันขนาดไหนวะเนือพูดไปได้คาดไม่ได้เลยอะไรพพอแล้วนะแค่นั้นะกนีขึ้นมาแล้วเนี่ยต่มแจ่มขึ้นมาแล้วมาอุ้ยูไปหมาเอาปล่อยมันึมาซะมาเอยังอุ้ยมาบอกอุ้ยเอาขึ้นไปหาเชียวซูนไปไปขึ้นไปบวนนี่เชียวมึงอสไปหาดูที่ไ อ่าเอาออ ก, กาศแล้วก็ไปละเอาอากาศแล้วทำัุระนะโอ้ยอย่งบเอาอากาศแล้วทำธุระไม่ได้